อันหนึ่งภิกษุได้แสดงธรรมแก่มาตุคามเกิน 5-6 คถึงต้องอาบัตปาจิตติสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องอุบาสิกาจบ